วันนี้เป็นวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2555วันที่30เป็นวันออกพรรษาจากนี้ไปเป็นเวลา7วันพรานการเตรียมพร้อมของพวกเราทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็คงจะเกี่ยวกับเรียนคำประวารณาออกพรรษา น, นี่อย่าให้ขาดตัวบกพร่องอันหน้าที่ของทุกอง์โดยตรงคําประวารณาออกพรรษาที่ได้หลวงพ่ออธิบายให้ฟังประวารานาคืออะไรอันนี้พระสงฆ์ควรจะประวารณาแล้วก็เมื่อวานเขาก็กางเต็นท์ให้ย่านพวกเราท่านได้เห็นทั้งหลายเห็นเขาจากกรุงเทพเขาก็ยังจําวันที่จะทอดกรถินของพวกเราแล้วก็พร้อมกัน ฝ่ายพระสงฆ์ก็ช่วยๆกันรเตรียมที่เคยทำนั่นแหละจะให้หลวงพ่อได้พูดเพราะพวกเราผ่านงานผ่านการมาหลายปีแล้วอันไหนควรจะจัดจะทําอย่างไรไม่ใช่ว่าพวกเราเป็นเบบีสอนพกนีดทุกวันไม่ใช่พวกเรามากก็มาเพื่อศึกษาอันไหนหลวงพ่อต้องการอะไรจะให้ทําอะไร พวกท่านทั้งหลายควรจะรู้ไม่ใช่จะให้บอกทุกอย่างซะก่อนยังค่อยทำแล้วก็ตรวจตราหลวงพ่อบอกอยู่เสมอว่าคนจะมามากในช่วงกระถินเรื่องน้ำเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งถ้าว่าขาดน้ำคนมามากๆขาดน้ำอั น, นะปัญหาตามมา เพราะนั้นหน้าที่ของน้ำาต้องดูให้ชัดเจนแล้วก็ที่พักพาอาศัยก็ยช่วยกันดูทั้งในครัวทั้งนอกทั้งในไม่ใช่หลวงพ่อสั่งแล้วก่อนจะค่อยทำอันนั้นแปลว่าเข้ามาศึกษาเหมือนกับอะไรก็ะอกกระแตอยู่กับวัดหลวงพ่ อ, อยางนั้นอ่พอเห็นกล้วยหลวงคอยมันจะมากินมันต้องรับผิดชอบร่วมกัน ใครอยู่ที่ไหนทางยวัดบ้านสวนก็เหมือนกันเวลาแขกคนมามากเราจะให้พักที่ไหนก็ให้เตรียมไว้เหมือนกันเรื่องน้ำเรื่องถ่าเรื่องของน้ำผงส้วมองอะไรทางฝ่าวัดของเราก็เหมือนกันทางบ่ายในครัวช่วยกันตรวจตราความพร้อม ฝ่ายคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทางนอกก็เหมือนกันอันไหนจะมาช่วยวัดของเราได้ทําความสะอาดปัดกวาดผู้เท่าผู้แก่ตัวช่วยกันดูพวกญาติที่จอดรถข้างนอกข้างในอย่างพวกเราเคยทํากันมานั่นแหละลุงพ่อเนี่ยนะับปันจะแก่เท่าชรลาไปเรื่อยนะจะพูดจำจี้จำชัยลำลี่ลำไรเหมือนตะก่อนคงจะยากมีแต่วันเตือนบอกกล่าว อย่าให้ขาดตกบกพร่องนะงานของเราคนจะเข้ามาเข้ามาไม่ใช่มาดูอย่างอื่นนะมาดูวัดเรามาดูความพร้อมมาดูพระสงฆ์มาดูหลวงพ่อฮะมาดูหลวงพ่อเพราะนั้นหลวงพ่อจะบอกว่าใครเข้ามาสู่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อจะให้ใครเทศจะให้ใครพูด หลวงพ่อบอกวคนนี้เขามาเขาก็มาอยากจะมาฟังหลวงพ่อมาหาหลวงพ่อมาฟังเทศหลวงพ่อมาหาหลวงพ่อน่หลวงพ่อจะต้องพูดนให้ฟังถ้าเขาอยากจะไปฟังองค์อื่นเขาก็ไปฟังได้แต่มาที่นี่มาฟังถึงจะฟังหรือไม่ฟังหลวงพ่อจะพูดหรือไม่พูดเป็นหน้าที่ของหลวงพ่อจบ ถ้าอยากจะฟังนนท์เอ็มพีสามีอีกเยอะแยะไปฟังก็ได้อยากจะไปฟังของอื่นไปฟังวัดของท่านก็รู้อยู่แล้วอยู่ที่ไหนเพราะนั้นทูกผู้ใ ด, ดก็ตามเข้ามาเนี่ยเออเอ้ามาฟังหลวงพ่อจะแนะแนวอย่างไรบอกกล่าวอย่างไรเว้นเสียตุลุงพ่อพูดไม่ได้ถ้าหลวงพ่อพูดไม่ได้น่ะเออเอาว่ากันไปตามเรื่องที่มันจะ กระเทศะเราก็ต้องจัดการตามนั้นนะแต่ถ้าหลวงพ่อยังพูดได้อยู่ทุกคนเข้ามาต้องมาฟังมาฟังแนวความคิดของหลวงพ่อหลวงพ่อจะให้แนวความคิดแก่พระเนรแก่ลูกแก่หลานนี่อันนี้คือหน้าที่ของหลวงพ่อแต่หน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายพร้อมหรือยัง ตรวจตราดูสิพร้อมนะยังเวลาพระมาะมากจะฉันที่ไหนอยู่อย่างไรที่พักพาใส่ศรัท ธ, ธาญาติโยมจะอยู่อย่างไรก็เต็มรับเต็มความสามารถพระในวัดของเราคือเจ้าของบ้านคือลูกในบ้านต้องรับภาระเฉยเฉยเมยเม ย, เยไม่ได้แขกมาเนะี่ยเป็นแขกหลวงพ่ออย่างนั้นไม่ได้เวลามาฉันมาฉันข้าต้มขนมหลวงพ่อ มูเวลาแขกมาถึงทั้งที่จะต้อนรับขับสู้ต้องดูกันช่วยๆกันต้องดีต้องดูงดไม่ใช่จะประจบประแจงกันพระองค์ไหนก็ตามเลียแข่งเลียขาประจบประแจงกระลำกะเลียนบอกมามันไม่ใช่เรื่องของพระองพระต้องอยู่เน่งต้องต้อนรับขับสู้เป็นธรรมไปเข้าไปตั้งกายยกรรมวจีกรรมมนโนกรรมต่อเพื่อนภิกษุสัมเน ต่อคณะจัตย า, าติโยมทุกหมู่เหล่าเหมือนกรบบัวถึงจะอยู่กับน้ำแต่ไม่ติดน้ำนี่ก็เหมือนกันถึงจะอยู่กับโลกแต่ไม่ติดอตัตเลกะหลบับไม่ติดการยกย่องสนรเสริญเชิดชูบูชาพอเรื่องของเขาแต่เราต้องทำดีที่สุดทำหน้าที่ของพระให้ดีที่สุดอย่าให้ขาดตกบกพร่อง ศีลและวินยัยต้องตรวจดูตนเองนี่แหละคือหน้าที่ของพระเมื่อสมัยเราเป็นลูกน้องเราควรวางตัวอย่างไรในเมื่อเราเป็นหัวหน้าเราควรวางตัวอย่างไรไม่ใช่ว่าเป็นลูกน้องกับแสงหน้าแสงหลังแสงซ้ายแสงขวาแต่เมื่อเป็นหัวหน้ากันให้ออกหน้าออกตา แสดงออกเป็นผู้นำกกลับหัวโหดไปอีกคันว่าเป็นลูกน้องกแงแซงซ้ายแซงขวาอีกอ น, นั้นใช้ไม่ได้เพราะนั้นพวกเราทุกๆองค์นะพระเนรทุกองค์ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี้เป็นแนวความคิดให้พวกเราท่านทั้งหลายต่อไปจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นผู้นำชุมชน หลวงพ่อสอนพระสอนเน้นทุกครั้งหลวงพ่อไม่ได้สอนให้ตามหลังหลวงพ่อนะสอนให้เป็นผู้นำออกไปภายภาคนานนำชุมชนได้เราจะนำยังไงนำชุมชนนำคู่คนที่มาเกี่ยวข้องไปเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังไม่ได้ที่เป็นสมผานตรงตรงเวลาใครเข้ามาจะไปสนิทสนมกับคนคนเดียวไม่ได้คนอื่นแตกหนีหมด พลนิสดมีแต่ตัวเองกับทายกสองคนนั่นนะจะสร้างวัดได้หรอพในสิ่งเหล่านี้มันต้องทําใจให้เป็นกลางถึงจะรักเมตตาขนาดไหนก็ต้องเป็นกลางต้องอยู่ในใจธรรมดาก็ต้องมีเหมือนกับพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกนะนะั่นถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกทุกคนลูกมีอยู่สี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าคนก็ต้องมีผู้รักมากกว่า ในใจของพ่อของแม่แต่ละคนแต่พ่อแม่แสดงออกในความรักจนเกินไปคนอื่นลูกคนอื่นเขาก็อิจฉาเหมือนกันพรา อ, อิจฉาเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือในแม่ไม่ให้ความร่วมมือนั่นแหละท่านพ่อแม่คนนั้นจะทำตัวอย่างไรทั้งที่เลี้ยงลูกมาตั้งมากคนหนึ่งมิไต่เอาอกเอาใจป ล, อ, ปลอยปลอยู่คนไม่กี่คนมีคนเดียวคนอื่นก็มองห่าง แต่ถ้าพ่อแม่มีความใจกว้างก็ต้องวางตัวใครลูกคนไหนเอาอะไรมาหาดีมดเอ อ, เ อ, อดี ด, ดีลูกออดีๆๆหลานเอามาให้เอาเก็บไว้ก่อน เ, อเดี๋ยวปู่จำเป็นปูย่ย่าตายายครูบาอาจารย์อาจารย์จะเป็นได้ใช้แล้วละ่ะให้กัว่าเขาได้ออกมาถวายเขาก็ดีอกดีใจในระดับหนึ่งคล้ายๆว่าพอใจใน การเอามาให้แต่การสงเคราอนุเคราะห์เขาก็เหมือนกันต้องมุกมองอย่าให้มันเหลื่อมล้ํากันจนเกินไปเหลื่อมล้ํากันเกินไปกันนั่นนะาว่ารักคนนั้นเกลียดคนนี้แต่ตามไม่จริงใจปุตุชนมันต้องมีกายใจที่มีกิเลสเหมือนกับ น, นิ้วมือของเราะจะให้มันเสมอกันเป็นไปไม่ได้นิ้วมือห้านิ้วเพระพุทธเจ้า ท่านก็ยังมีพธธุทธอุปถาคท้งฝ่ายพระก็คือใครกับพระอานน์อุบารสิกาก็คือใครนางวิสาขาอุบารศกก็คือใครอนาถาเินติกะเศรษฐีมีผู้อยู่ใกล้แต่ท่านจะให้ความสนิทสนมแต่ขึ้นแต่บ้านม่นางนางวิสาขาขึ้นแต่บ้านอนาถาเบนิพระพุทธเจ้าจะประกาศพระศาสนาให้กว้างขวางได้อย่างไร นี่แหละอันนี้ก็คือเป็นแนวทางของพระพุทธศาสนาทุกคนเอามาใช้ได้ทั้งน ốt ทั้งนั้นเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายควรทำตนอย่างไรกับลูกกับหลานาเมื่อเราเป็นครูบาอาจารย์เราควรจะทำตนอย่างไรกับลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมเมื่อเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นลูก ของพ่อของแม่เราควรจะทําตนอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้คิดกันทางนั้นแหละถ้าว่าเพ่อแม่ก็เฉยๆเมย์เมย์ื่อบืดไปเรื่อยลูกๆกันล้านๆก็เฉยๆเมย์เื่อบืดไปเรื่อยไม่รู้จักดูแลไม่รู้จักมีไม่มีน้ําใจอยูด้วยกันจะหาความอบอุ่นไม่ได้ อันนี้มันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะการอยู่ด้วยกันเดี๋ยวักกอดคอจูบปากกันอยู่ตลอดมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันมันต้องรู้จักการวางตัวอันในหลวงพ่อวันหนึ่งพวกเราก็ได้ยินในเล่เหลี่ยมหนึ่งนะแต่วันหนึ่งลงหลวงพ่อก็ได้พูดให้พวกเราฟังอีกในมุมหนึ่งแต่ว่ามุมของหลวงพ่อพูดมุมของพระ แต่พวกเราท่านทั้งหลายบางทีเป็นมุมของฆราวาสแต่มุมของพระอย่างพระสงฆ์อย่างหลวงพ่อเนี่ยการเป็นอยู่ทุกอย่างหลวงพ่อเองได้รับการแนะนําสั่งสอนจากครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงตาเนี่ยท่านพูดในชั้นเชิงเล่เหลี่ยมการเป็นอยู่วางตัวอย่างไร ท่านรู้สึกว่าท่านจะรอบคอบมากเพราะนั้นหลวงพ่อได้รับอิทธิพลและได้รับการศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงพ่อเองก็หมายถ่ายเทถ่ายทอดให้แก่พวกคณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายครวาดทั้งฝ่ายพระสงฆ์ให้ฟังเอาไว้ศึกษาเอาไว้ฟังเอาไว้ให้ใส่ใจเอาไว้จากนั้นก็ให้สังเกตมันจริงไหม ทำมันที่หลวงพ่อพูดผิดไปเออหลวงพ่อพูดสุดโตงเกินไปเออหลวงพ่อพูดผิดแล้วจุดนั้นอ่ะเออใช่หลวงพ่อพูดออพูดเป็นในหลายระดับในการวางตัวมันมีได้ทั้งนั้นแ่ะถ้าพวกเราใช้ความจำและใช้แนวความคิดนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราได้อันนี้แหละคือ การบริหารจัดการในการเป็นอยู่รอบทิศรอบด้านในมิตรเรื่องมิตรเรื่องสหายเรื่องหมู่เรื่องเพื่อนเรื่องการเป็นอยู่คู่คนที่มาเกี่ยวข้องแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้สารานิยธรรมทำเป็นไปเพื่อความเจริญเรียกว่าสารานิยธรรมมีหกตั้งเข้าไปตั้งกายกรรม ประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสมาเนนทั้งต่อหน้าและรับหลังคือเช่นขนขววยดูแลการเจ็บไข้ได้ป่วยของเพื่อนกันเข้าไปตั้งวิจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสมมาเนนทั้งต่อหน้าและรับหลังต่อหน้าด้วยรับหลังด้วยนะไม่ใช่ต่อหน้าแต่ทำลาบ ร, รอบ้อแผลนะรับหลังนะจะเอามีดทิ่มแทงหลังกันไทั้งต่อหน้าและรับหลัง ในเพื่อนภิกษุสัมมนเนเช่นว่าล่าวตักเตือนสั่งสอนแนะแนวให้กันได้ฟังทั้งต่อหน้าและรับหลังพูดชัดเจนแล้วก็เข้าไปตั้งมโนกรรมต่อเพื่อนภิกษุสัมมนเนนให้เขาคิดดีแนะนำดีมีเมตตาใน จ, ใจิตใจทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยในเพื่อนภิกษุสัมมนเนด้วยกันตลอด ถ, ถึงพี่น้องญาติโยมที่มาเกี่ยวข้อง มีน้ำใจมีเมตตาเนี่ยต้องต่อหน้าและรับหลังอันนี้คือมโนกรรมคือแนวความคิดและก็แบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมแก่เพื่อนภิกษุสา ม, มเณรไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะพผู้เดียวแล้วก็รักษาศีลบริสุทธิ์เสมอการภิกษุสา ม, มเณรอื่นไม่ทำตนให้เป็นที่รังเกียจของภิกษุสา ม, มเณรอื่นนี่แหละ แล้วก็มีเป็นสมามาธิฐิเห็นชอบนี่แหละถ้าหลวงพ่อพูดผิดไปให้พวกเราไปดูก็ได้ในนวโกะวาตสารานิยธรรมมีหกประการอันนี้เป็นไปเพื่อความเจริญนี่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกระจกงเงาเป็นบรรทัดฐานให้พวกเราได้ศึกษาแต่พวกเรานำมาประพฤติปฏิบัติแล้วดูดูแล้ว ดูซิเข้าไปต่างกายจกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็แบ่งปันลาบแล้วก็รักษาสินกฎวินัยให้เสมอภาคกันแล้วก็มีความเห็นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตามหลักธรรมคำสอนจะผิดทะเลาะกันได้อย่างไรก็มีแต่ความพอมเพียงสมักคีกันสรุปแล้วก็คือพี่ได้สองน้องได้หนึ่งปรึกษาปารกันอยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก็ล่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากัน ไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวไม่ว่าจะอยู่ต่างถิง่นต่างแดนด้วยว่าครอบครัวใหญ่ถ้ามีน้ําจิตน้ําใจมีเมตตาต่อกันเนี่ยนะแต่คิดดูสิว่า ห, หลวงพ่อเคยย้ําเสมอว่าอย่าไปทะเลาะอะไรอิจฉาตาเหลือกันอะไรไม่ถึงร้อยปีก็ต่างคนต่างไปแล้วอันไหนที่เป็นคุณงามความดีก็รีบๆทํ า, ท า, ทาสั่งๆซะเมื่อมาพบมาเจอกันคือมาพบมาเจอกัน อีกสักหน่อยหนึ่งก็ต่างคนต่างไปแล้ว <Okay. S 1> ไม่ใช่ว่าอยู่กับครูบาอาจารย์ใครอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์คนนั้นทั้งเตะทั้งถีบทั้งอิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้พอ mm hmm. จากนั้นมา จ, จนใครมองหน้ามองตาไม่ได้หลวงพ่อเคยพูดอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดอยู่กับครูบาอาจารย์ต้องระวัง รูบาอจารย์ที่มีชื่อเสียงตระลายิยี่งระวังระวังตัวระวังตัวของเราอย่าให้เขาได้ตำหนิติชินนินทาเราได้ถ้าว่าเราทำตัวไม่ดีก็เหมือนกาเกาะภูเขาทองเกาะภูเขาทองนะตัวเองดำๆเราไปเกาะครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เหมือนกับภูเขาทองนะพอไปเกาะแล้วก็ เหลืองอาลามขึ้นมาก็ลืมตัวว่าข้าเป็นใครไอั น, นี้สิ่งเราต้องบอกนะเตือนทั้งหลวงพ่ออินด้วยหลวงพ่อพูดนะไม่ใช่ต่เตือนคนอื่นนะเตือนทั้งหลวงพ่ออินด้วยมาอยู่ใกล้กูบาลจาร์และอย่าลืมอย่าหลงตัวอย่าลืมตัวให้รู้เท่ารู้ทันเรามาเพื่อการศึกษาเรามาเพื่อส่แสวงหาทางพ้นทุกเรามาเพื่อฟัง โอวาดแล้วก็นนะอยู่นะแล้วก็ปฏิบัตินะกายวาจาใจของเราเพื่อ ส, ะสะวสวิหาทางโพตทุกมาได้มา ส, ะสะวัสดิเพื่อลาบยศสะนะเสริญสุขใดๆทั้งหมดนะอันนี้คือในใจของเราลองต้องคิดมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างนั้นอนะนะแต่หลวงพ่อว่าอยู่ในสถานที่ใดนะอยู่ในครูบาอาจารย์องค์ใดนจะุในชุมชนใด ยูในหมู่กับหมู่กลุ่มหมู่พวกเพื่อนใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันเพราะรู้จักเขารู้จักเรารู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จักการวางตัวมองอนาคตมองปัจจุบันแล้วก็มองอดีตอดีตเป็นบทเรียนปัจจุบันจะต้องดำเนินการอนาคตเรามีจุดมุ่งหมายอะไรที่เราจะต้องการดำเนินชีวิตของพวกเราอยู่ในขณะนี้ พวกเราเห็นไหมร อ, อบข้างรอบด้านเป็นใครเป็นหมูเป็นเพื่อนเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นมิตรสหายเดี๋ยวคนนั้นก็ตายเดี๋ยวคนนี้ก็ตายไปเผากันคนนั้นก็ไปเผาคนนี้คนนี้ก็ไปเผาคนนั้นอจากนั้นต่อไปอีกอีกสักวันหนึ่งเขาก็มาเผาเราอีกเหมือนกันเราก็ตายเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นอีกเขาวนี้ตาฆ่าเขาหน้าตาเองมันมีคนละข่าวกันทั้งนั้นแหละ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่าเราระลึกถึงมรณะนุสติมานังเมภาวิสติไว้อยู่เสมอะจะทําอะไรมันจะไม่โลดโผนโลดเต้นแตไ่ไม่ไม่อ่อนแอนะจะไปคิดว่าระลึกถึงความตายแล้วหมดอะไรตายอยากไม่ใช่ระลึกถึงความตายคือรู้จักแนวทางการวางตัวในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้เราควรจะวางตัวอย่างไรควรจะประกอบคุณงามความดีอย่างไร ควรจะทำมาค้าขายอย่างไรควรจะเร่าเรียนศึกษาอย่างไรควรจะยึดหลับพระธรรมวินัยอะไรเป็นหลักแล้วก็จะภาวนาอย่างไรอีกสักวันหนึ่งข้างหน้านชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ร่างกายสังขาร น, นี่ยโ ร, โรยไปแ น, แน่แต่ชื่อเสียงโคตรตระกูลยังอยู่นะชื่อเสียงโคตรตระกูลของเรายัางอยู่นะชื่อเสียงของหลวงพ่ออในยังอยู่ แต่โคตตระกูลยังอยู่แต่ร่างกายของหลวงพ่ออินเนตายไปแล้วนี่แหละเพราะนั้นเราควรจะวางตัวให้ดีเมื่อตายไปแล้วก็ยังสื่อเสียงโคตรตระกูลคนกรร็รู้กันอยู่เพราะนั้นถ้าเราทำความชั่วนะสชื่อเสียงของเราก็ตามถึงเขาจะไม่พูดโถงดังเขาก็ชุบชิบชุบชบิไปนานเท่านาน ว่าะไรตัวเองทำไม่ดีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวอย่างพวกเราได้เห็นมากต่อมากแล้วเพราะนั้นตัวของเราเองเนี่ยต้องทำตัวให้ดีที่สุดคิดให้ดีที่สุดทำตัวให้ดีที่สุดพูดให้ดีที่สุดในใจของเราแต่จะให้มันถูกใจกับทุกคนคงเป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะผิดบางทีเราก็พูดว่าผิดบางทีเราก็พูดว่าถูกแต่ในความคิดความเห็นของเรานั้นบางทีมัน อาจจะผิดก็ได้ไม่มีใครรับรองได้ที่หลวงพ่อเคยพูดนะพ่อแม่ครูบาอาจารนยะ์เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอรนะ์แต่พวกที่ยื่นข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะยื่นข้อมูลเข้าผิดนะเอาข้อมูลเข้าผิดคนะอมพิวเตอร์ก็คิดผิดออกมาอีกเหมือนกันนะเพราะมันข้อมูลผิดใช่ไหมผู้ยื่นข้อมูลมันผิด น, ะ น, นี่ก็เหมือนกัน ผู้บาอาจารย์เป็นผู้มีศีลมีธรรมชื่อตรงแต่ลูกศิษย์อิจฉาพยาบาทอาฆาตกันเอาเรื่องกวเลเกาวาลาดเอาเรื่องที่ไปฟ้องไปอะไรท่านท่านก็จะทํำยังไงก็เหตุผลมาอย่างนี้ท่านก็ต้องตัดสินไปตามเรื่องเหตุผลที่เข้ามาสรุปแล้วก็คือผู้ยื่นข้อมูลป้อนข้อมูลเข้าผิดป้อนข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมเข้าไป คอมพิวเตอร์มันก็ก้องคิดผิดออกมาเหมือนกันนะเพราคอมพิวเตอร์มันตรงเลยนี่ก็เหมือนกันนะเอาท่านไม่มียานรัศนะหรื อ, เ, อเรื่องยานรัศนะเนี่ยขอมีแต่ไม่ใช่ว่าท่านจะกลางอยู่ตลอดอย่างชาดกหนึ่งเรื่องหนึ่งท่านดอสีอะไรถุกมังคละอะไรหาะเหินเดินฟ้าได้ดำดินปินบนได้ เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดช ร, รู้อดีตอนาคตเป็นฤาษีแต่วันหนึ่งท่านไปนั่งฉันอยู่ในระหว่างฝาบ้านท่านนั่งปิณฑบาทได้และขามาฉันคนเขาบอกฤาษีคนนี้แหละที่มีเรื่องมีเลา่ากับคู่คนเขาก็จ้างมือนักเลงมาฟันคอฤาษี ลือศีก็ตายพอตายแล้วเทวดาก็โกรธให้เกลียคนในเมืองรือศีไม่ได้ทำร้ายทำรายอะไ ร, รเทวดาเลยบันดลบันดาลเท่าทานถล่มคนทั้งเมืองตายเกลี้ยงไปหมดนะนี่นะถ้าตามไม่จริงทำไมรือศีท่านท่าไม่รู้เลอว่าเขาจะมาฆ่าท่านนะหลวงพ่อคิดว่ายานัศนะ ส่วนหนึ่งก็คือบางทีท่านอาจจะมีกรรมกรรมเก่าท่านคงจะมองไม่เห็นเหมือนกับอีแแ้งอีแแ้งติดบ่วงในพานในพานก็บอกว่าอีแแ้งเนี่ยมองไกลตั้งร้อยโยชนะ์เห็นเห็นซากหมาเห็นซากสัตว์อยู่ที่ไหนอีแแ้งจะมองเห็นตาอีแแ้งเนี่ดีมากแต่ทําไมจะมาติดบ่วงในพานนะไม่เห็นแล้วบ่วงในพานมันมีอยู่ ถ้าหมาติดบวกในพานก็ไม่ว่ากันอีแร้งติดบวกในพานก็อีแล้งตาดีนะถ้าไมติดบวกในพานอีเร้งตอบวาถ้ากรรมมาถึงแล้วมันมองไม่เห็นกรรมเก่ากรรมอดีตที่มันมามาปิดบังแล้วมันมองไม่เห็นมันจะต้องติดมันจะต้องได้ใช้กรรมที่ตนได้กระทำไว้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะเพราะนั้นกรรมสรุปแล้วก็คือกรรมชั่วจะทำเสียเลยดีกว่าอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดแนะถ้าทำไปแล้วก็กรรมมันจะติดตามให้ผลสืบต่อนอนเนื่องไปเรื่อยๆเพราะนั้นทำแต่กรรมดีถ้าทำกรรมดีกรรมดีจะให้ผลต่อไปเนื่องๆอีกเหมือนกันนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดมากหลากหลาย ในการบริหารจัดการการวางตัวการทำ จ, จิตใจสาราในยธรรมหกอตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้ผลรับผล